ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งร้เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขาภาคที่หเรื่องที่หนึ่งของวรที่สิอชราวัคะวรนนาข้อความเบื้องต้นพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบร พ, พวกหญิงสหายของนางวิสาขาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า โกนุฮาโซกิมานันโดเป็นต้นตอนสามีมอบภรรยาของตนแกนางวิสาขาดังได้สดับมากุลบุตรห้าร้อยคนในพระนครสสวัตถีได้มอบภรรยาของตนของตนแกนางวิสาขามหาอุบาสิกาด้วยมุ่งหมายว่าด้วยอุบายอย่างนี้ ภริยาเหล่านี้จะเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทหญิงเหล่านั้นเมื่อไปสวนก็ดีไปวิหารก็ดีย่อมไปกับนางวิสาขานั่นแหลตอนมหหรสพเกี่ยวกับสุราในคราวหนึ่งเมื่อเขาโฆษณาการมหหรสพว่าจะมีการมหหรสพเกี่ยวกับสุราตลอดเจ็ดวัน หญิงเหล่านั้นก็จัดเตรียมสุราเพื่อสามีของตนของตนสามีเหล่านั้นเล่นมหรสศพเกี่ยวกับสุราตลอดเจ็ดวันแล้วในวันที่8ดได้ออกไปเพื่อทำการงานตอนหญิงเหล่านั้นคิดหาอุบายดื่มสุราหญิงแม่เหล่านั้นหารือกันว่าพวกเราไม่ได้ดื่มสุราต่อหน้าสามี กอสุราที่เหลือยังมีอยู่เราทั้งหลายจากดื่มสุรานี้ด้วยวิธีที่สามีเหล่านั้นจะไม่รู้ดังนี้แล้วจึงไปสํานักของนางวิสาขากล่าวว่าแม่เจ้าดีฉันทั้งหลายปรารถนาจะชมสวนเมื่อนางวิสาขาตอบว่าดีละแม่ทั้งหลายเธอเช่นนั้นจงทากิจที่ควรทําเสร็จแล้วจึงออกไป ได้ไปพร้อมกับนางวิสาขานั้นซ่อนสุราไปโดยอาการอันมิชิดดื่มเสียจนเมาแล้วเที่ยวไปในสวนนางวิสาขาคิดว่าหญิงเหล่านี้ทำกรรมไม่สมควรคราวนี้ถึงพวกเดร ถ, ถีก็จะติเตียนได้ว่าสาวิกาทั้งหลายของพระสมณโคดมดื่มสุราย่อมเที่ยวไป จึงกล่าวกับหญิงเหล่านั้นว่านี่แนะ่แม่เธอทั้งหลายทำกรรมไม่สมควรปล่อยให้เกิดอภยศแก่ฉันด้วยถึงสามีก็จะโกรธพวกเธอบัจนี้พวกเธอจกทาอย่างไรกันหญิงเหล่านั้นตอบว่าแม่เจ้าดิฉันทั้งหลายจักแสดงอาการลวงว่าเป็นไข้นางวิสาขาจึงกล่าวว่า ถ้าเชนนั้นพวกเธอก็จะปรากฏด้วยกรรมของตนหญิงเหล่านั้นไปถึงเรือนแล้วทำท่าลวงว่าเป็นไข้ที่นั้นสามีของหญิงเหล่านั้นถามว่าหญิงชื่อนี้และชื่อนี้ไปไหนได้ยินว่าเป็นไข้ก็กําหนดจับได้ว่าพวกนี้จากดื่มสุราที่เหลือเป็นแน่จึงได้ทุบตีหญิงเหล่านั้นให้ถึงความเสื่อมเสีย ในคราวมหรสพแม้อื่นอีกหญิงเหล่านั้นอยากดื่มสุราเหมือนอย่างนั้นจึงเข้าไปหานางวิสาขากล่าวว่าแม่เจ้าโปรดพาดิฉันไปชมสวนเถิดถูกนางห้ามว่าแม้ในคราวก่อนเธอทั้งหลายกระทําให้อภยศแก่ฉันไปเองเถอะฉันจะไม่พาเธอทั้งหลายไปละได้พูดเอาใจว่าทีนี้ พวกดิฉันจักไม่ทำอย่างนั้นแล้วเข้าไปหานางวิสาขานั้นพูดใหม่ว่าแม่เจ้าดิฉันทั้งหลายประสงค์จะทำพุทธบูชาขอจงพาดิฉันทั้งหลายไปวิหารเถิดนางจึงพูดว่าแน่แม่บัดนี้สมควรแท้เธอทั้งหลายจงไปจัดแจงเตรียมตัวเถิดหญิงเหล่านั้น ให้คนถือของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นด้วยพระอบหิวขวดมีสันฐานดุดกมือซึ่งเต็มด้วยสุราด้วยมือทั้งสองคลุมผ้าผืนใหญ่เข้าไปหานางวิสาขาแล้วเข้าไปวิหารพร้อมกับนางวิสาขานั้นนั่งในส่วนข้างหนึ่งดื่มสุราด้วยขวดอันมีสันฐานดุดกมือนั่นเองแล้วทิ้งขวดเสีย นั่งตรงพระพักพระศาสดาในรงธรรมนางวิสาขากราบถูลว่าพระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่หญิงเหล่านี้ฝ่ายหญิงเหล่านั้นมีตัวสันเทอมอยู่ด้วยฤทธิ์เมาเกิดความคิดขึ้นว่าเราทั้งหลายจากฟ้อนจะขับตอนเทวบุตมาน บรรดาให้แสดงกายวิการแต่ไม่สำเร็จลำดับนั้นเทว ด, ดาองค์หนึ่งซึ่งนับเนื่องในหมู่มารคิดว่าบัดนี้เราจักสิงในสรีระของหญิงเหล่านี้แล้วจักแสดงประการอันแปลกตรงพระพักพระสมณโคดมแล้วเข้าสิงในสรีระของหญิงเหล่านั้นบรรดาหญิงเหล่านั้น บางพวกจะเริ่มปรบมือหัวเราะบางพวกเริ่มจะฟ้อนตรงพระพักพระศัสดาพระศัสดาทรงรำพึงว่านี้อย่างไรกันทรงทราบเหตุ น, นั้นแล้วทรงตาริแล้วบัดนี้เราจะไม่ให้เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารได้ช่องเพราะเราเมื่อบำเพ็ญบารมีตลอดการเท่านี้ ก็หาได้บำเพ็ญเพื่อมุ่งจะให้พวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารได้ช่องใหม่เพื่อจะให้หญิงเหล่านั้นสังเวชจึงทรงเปล่งพระรัศมีจากพระโลมาระหว่างพระขนงท่านใดนั้นเองความมืดมนอนทการได้มีแล้วหญิงเหล่านั้นได้หวัดวันอันมรณะภัยคุกขามแล้วด้วยเหตุนั้น สุราในท้องของหญิงเหล่านั้นจึงสางคลายไปพระศัสดาทรงหายไปณบัลลังที่ประทับนั่งประทับยืนอยู่บนยอดเขาสิเนรุทรงเปล่งพระรัศมีจากพระอุณาโลมขณะนั้นแสงสว่างได้มีเหมือนพระจันทร์ขึ้นตั้งพันดวงลําดับนั้นพระศาสดาตรัสเรียกหญิงเหล่านั้นมาแล้ว ตรัสว่าพวกเธอเมื่อมาสํานักของเราประมาทแล้วมาหาค่วนไม่เพราะความประมาทของพวกเธอนั่นเองเจวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่มานจึงได้ช่องให้พวกเธอทํากายวิการมีหัวรอบเป็นต้นในที่ซึ่งไม่ควรทํากายวิการมีหัวรอบเป็นต้นบัดนี้พวกเธอทําความอุตสาหะ เพื่อมุ่งให้ไฟมีราคาเป็นต้นดับไปจึงควรดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าโกนุหาโซกิมานันโดนิจจังปจลิเตสติอันทกาเรณนะโอนัทฐาปดีปังนะคเวสทาติเมื่อโลกสนิวาตอันไฟลุกโพล่อยู่เป็นนิด พวกเธอยังจะร่าเริงบันเทิงอะไรกันหนอเธอทั้งหลายอันความมืดปกคลุมแล้วทำไมจึงไม่สแสวงหาประทีบเล่าตอนแกะอัดความยินดีชื่อว่าอานันโดในพระคาถานั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเป็นคำอธิบายไว้ดังนี้ว่าเมื่อโลกสันนิวาตนี้อันไฟส1อ็อย่าง มีราคาเป็นต้นลุกโพลงแล้วเป็นนิดเธอทั้งหลายจะมัวร่าเริงหรือเพลิดเพลินอะไรกันหนอนั่นไม่สมควรทำเลยไม่ใช่หรือก็เธอทั้งหลายอันความมืดคืออวิชาซึ่งมีวัตถุแปดปกคลุมไว้เหตุไรจึงไม่แสวงหาคือไม่ทำประทีปคือยานเพื่อประโยชน์แก่การกำจัดความมืดนั้นเสีย ตอนผู้รับคําเตือนย่อมได้ผลในเวลาจบพระธรรมเทศนาาหญิงห้าร้อยตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วพระสัสดาทรงทราบความที่หญิงเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในอจลัสัทธาแล้วสเสด็จลงจากยอดเขาสเนรุประทับนั่งบนพุทธาฏตอนนางวิสาขา ชีโทษของสุราโดยบุคลาธิฐานลำดับนั้นนางวิสาขาได้กราบทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข่าขึ้นชื่อว่าสุรานี้เลวซามเพราะว่าหญิงเหล่านี้ชื่อเห็นปานนี้นั่งตรงพระพักพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์ยังไม่สามารถจะยังแม้เพียงอิริยาบถให้เรียบร้อยได้ เริ่มจะลุกขึ้นปรบมือทำการหัวเราะขับและฟ้อนเป็นต้นแล้วกษัตริย์ดารับว่านั่นแหละวิสาขาขึ้นชื่อว่าสุรานี้เลวสามแท้เพราะประชาชนอาศัยสุรานี้ถึงความพินาศแล้วตั้งหลายร้อยเมื่อนางวิสาขากรับทูลว่า ก็สุรานี้เกิดขึ้นเมื่อไรพระเจ้าค่าเพื่อจะตรัสอุปัติเหตุแห่งสุรานั้นโดยพิสดารจึงทรงนำอดีตนิทานมาแล้วตรัสกลุมพระชาดกดังนี้แลเรื่องหญิงสหายของนางวิสาขาจบ